เราอนุญาตลูกดานสามชนิดคือลูกดานโลหะลูกดานไม้ลูกดานเขาสัตว์ใครใครก็เปิดเข้าไปได้วิหารทั้งหลายคุ้มกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตลิมยนสมัยนั้นวิหารที่มุงหญ้าทั้งหลายพอถึงฤดูหนาวก็หนาวถึงฤดูร้อนก็ร้อนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้